ปรยาชาวอเมริกันคนหนึ่งเป็นนักคิดที่มีชื่อเสียงมากเสียชีวิตไปได้หลายสิบปีแล้วแกเป็นคริสนะและมีบทสวด บ, บทหนึ่งที่มีชื่อมากแล้วก็เป็นบทสวดที่ให้ข้อคิดที่ดีนะสำหรับคนทั่วไปไม่เฉพาะชาวคริสถึงแม้จะเป็นบทสวดภาวนาถึงพระเจ้าเป็นบทสวดสั้นๆนะสาบรรทัด คือเขาภาวนาถึงพระเจ้าว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสงบในการยอมรับสิ่งต่างๆที่ข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงไม่ได้และขอให้ข้าพเจ้ามีความกล้าในการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนแปลงได้แล้วขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาในการแยกแยะความแตกต่างของสองสิ่งนี้หมายถึง สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราคร้ยโคนดูนะมันมันให้ข้อคิดที่ดีเป็นการเรียกว่าสรุปรวบยอดโจทย์ที่สาคัญของชีวิตนะโจทย์ที่สำคัญของชีวิตนี่ประการแรกคือว่า ในช่วงของทุกคนเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอยู่สองอย่างปัญหาที่เปลี่ยนแปลงได้หรือแก้ไขได้กับปัญหาที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้หรือแก้ไขอะไรไม่ได้ซึ่งเราจะพูดว่าเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งปวงในช่วงคนเราเนี่ยมันก็มีแค่สองอย่างนะเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรได้กับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรไม่ได้ นี่คือโจทย์ข้อแรกนะโจทย์ข้อที่2คือว่าเราควรทำอย่างไรกับเหตุการณ์เหล่านี้เบนโนไนเบอร์นี่แกก็บอกว่าเนี่ยสาหรับสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เราควรยอมรับนะด้วยใจสงบส่วนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้นะเราควรมีความกล้าในการเปลี่ยนแปลงสองสิ่งเนี่ยที่เขาพูดมาเนี่ยนะ ก็ว่าไปร่าก็เป็นหลักนะในการดำเนินชีวิตของคนเราเลยก็ว่าได้เพราะว่าในเมื่อคนเราจะต้องเจอกับเหตุการณ์ปัญหาหรือความทุกข์ที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้หรือทํอะไรไม่ได้เลยมันก็คงไม่มีอะไรดีกว่าการยอมรับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรไม่ได้มันเช่นอะไรบ้างนะเช่นความตายเนี่ย ไม่มีใครหนีความตายพ้นและไม่ใช่ไม่ใช่แค่ความตายของเรานะความตายของคนที่เรารักด้วยก่อนที่ความตายจะมาถึงตัวเราก็ต้องเจอความตายที่เกิดกับคนที่เรารักญาติผู้ใหญ่พ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงคนรักลูกหลานมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ตรงที่ว่าเมื่อตายไปแล้วเนี่ยนะให้ฟื้นคืนมาก็ไม่ได้แล้วก็มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ตรงที่ว่า ไม่มีใครหนีพ้นนอกจากความตายคนที่เรารักหรือคนที่ใกล้ชิดคนรู้จักแล้วในความสูญเสียของรักเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างที่สูญเสียไปแล้วนี่มันก็เอากลับมาไม่ได้นะเสียแล้วเสียเลยนะเช่นไฟไหม้บ้านหรือว่าของรักที่พ่อแม่มอบให้เป็นมรดกนะสูญหายไป หรือที่จริงแม้แต่ทรัพย์สินหลายอย่างที่ถูกขโมยไปหรือสูญเสียไปเนี่ยหลายอย่างก็เอากลับคืนมาไม่ได้นะซึ่งมันก็ยากกันนะที่เราจะรู้ว่าอะไรบ้างที่หายไปแล้วเอากลับคืนมาได้อะไรที่หายไปแล้วเอากลับคืนมาไม่ได้อะไรที่หายไปแล้วกลับคืนได้ก็ต้องนขนควายหามาหรือคนหายเจอ แต่ถ้าเรารู้ว่าอะไรที่มันหายไปแล้วไม่มีทางเอากลับคืนมาได้ถ้าเรารู้ล่วงหน้าเราคงไม่เสียเวลาไปหาไปค้นหาสิ่งที่ทาได้ประการเดียวคือทาใจยอมรับเลืตรงนี้ก็เป็นเรื่องยากนะว่าเราจะรู้ได้ไงว่าของที่หายนี้อะไรบ้างที่มันมีโอกาสที่จะหาเจออะไรบ้างที่ไม่มีโอกาสที่จะหาเจอ ไม่ใช่ไม่ต้องอื่นไกายนะของที่ตกลงน้ําในสาเนี่ยตกลงน้ําในสาเนี่ยเราไม่มีทางรู้เลยนะว่าท้า ง, งมแล้วจะเจอเป่างมด้วยเครื่องไม้เครื่องมือ ท, ที่มีอยู่นะถ้าเรารู่วงงมแล้วไม่เจอเราก็คงไม่ทําไม่เสียเวลาตั้งแต่แรกแต่เราไม่รู้เนี่ยเราก็ต้องลองงมก่อนแต่บางครั้งเราเพอวางงมไปแล้วมก็สูญเปล่าเสียเวลา นอกจากของที่สูญหายไปแล้วนะมันก็ยังมีอีกหลายอย่างนะบางอย่างก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตแต่ว่ามันก็เป็นปัญหาที่สร้างความทุกข์ให้กับคนเราไม่มากก็ น, น้อยเช่นสอบตกเนี่ยนะสอบตกเนี่ยมันแก้ตัวได้ก็จริงนะแต่ว่าไอ้ที่สอบไปแล้วเนี่ยแล้วตกเนี่ยมันจะให้มันกลายเป็นสอบได้เนี่ มันแ้าจะเป็นไปไม่ได้เลยหรือที่ง่ายๆคือรถติดนะนะรถติดบนทางด่วนอาจจะเป็นเพราะมีอุบัติเหตุข้างหน้าหรือเพราะว่าฝนตกทางลื่นพวกเราก็รู้ใช่ไหเวลารถติดเนี่ยนะเราทำอะไรไม่ได้เลยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรได้แล้วถึงตอนนั้นเนี่ยเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้ควรจะทายัางไง น, นิเบอร์ก็บอกว่าเนี่ยก็ให้ยอมรับ ยอมรับซะแต่ไอ้การยอมรับไม่ใช่เรื่องง่ายนะอาจจะยอมรับด้วยเหตุผลแต่ว่าใจมันไม่ยอมอะเอาแค่ง่ายๆรถติดเนี่ยนะล้วก็ยอมรับนะมันติดแต่ใจมันไม่ยอมรับมันก็เลยกังวลวิตกตรงนี้แหละนะที่เขาขอให้พระเจ้าเนี่ยมอบความสงบให้กับเขา คือยอมรับมันได้ด้วยใจสงบคนเราเนี่ยถามว่าสามารถยอมรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ด้วยใจสงบนี่ความทุกข์มันลดไปเยอะเลยนะเพราะบางครั้งเนี่ยเราก็โศกเศร้าเมื่อคนรักตายจากไปหรือบางทีไม่ได้ตายจากไปนะแต่ว่าป่วยด้วยโรครายที่รักษาไม่หา ย, โ, ยโรครายที่รักษาไม่หายเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เรา ทำอะไรไม่ได้หมายความว่าสุดท้ายก็ตายสถานเดียวแต่หลายคนก็ทำใจไม่ได้นะยิ่งเป็นโรครายที่เกิดขึ้นกับตัวเองด้วยแล้วนี่โอ้มันทำใจยากมากแม้จะรู้ทั้งรู้นะว่ามันทำอะไรไม่ได้แต่มันก็ยอมรับไม่ได้หรือถึงยอมรับได้ก็ยอมรับแบบยอมรับด้วยเหตุผลแต่ใจมันไม่ยอมมีคนถามว่าเป็นอะไรก็บอกว่าเป็นมะเร็ง แต่ว่ามันยังเศร้าอยู่ข้างในมันก็ยังมีความเครียดอยู่ข้างในก็เหมือนกับคนรักตายจากไปเนี่ยก็ยอมรับได้นะว่าเขาตายไปแล้วใครถามก็บอกาตายไปแล้วพ่อตายไปแล้วลูกตายไปแล้วสามีตายไปแล้วอันนี้เรียกว่ายอมรับแต่มันไม่ได้ยอมรับอย่างเต็มร้อยนะเพราะว่าลึกๆก็ยังเศร้ามีพียงคนหนึ่งนะ มีผู้ชายคนหนึ่งเป็นคนที่รักครอบครัวมากก็ดูแลครอบครัวอย่างดีเป็นแฟมิลี่แมนแล้ววันหนึ่งก็ป่วยภรรยาเคี่ยของป่วยไม่มากก็ไม่ได้ขวนขวายอะไรเท่าไหร่แตสุดท้ายเนี่ยเพราะว่าเป็นโรคร้ายนะมะเร็งเป็นมะเร็งตับ แล้วมันก็ลามเร็วมากนะไม่กี่ไม่กี่อาทิตย์เนะี่ยก็เสียชีวิตฝ่ายหญิงนี่ทำใจไม่ได้นะรู้ทั้งรู้นะว่าสามีตายไปแล้วแต่ทำใจไม่ได้ทุกวันก็ยังทำอาหารให้สามีกินเอามาวางไว้ตรงโต๊ะที่สามีนั่งเป็นประจำแล้วก็โทรศัพท์ไปที่เบอร์สามี เพื่อจะได้ฟังเสียงที่อัดเอาไว้มันมีเครื่องอัดเครื่องตอดอัลซ i n ิก a มช i ีนอยู่ในเครื่องอยากได้ยินเสียงสามีทุกวันทุกวันสมมอก็ว่าเขายังมีชีวิตยอยู่แต่แน่นอนนะก็เป็นการยอมรับแบบทำใจไม่ได้ก็เศร้า เศร้าเสียใจไม่เป็ น, ไ ม, ปนไม่เป็นผู้เป็นคนเท่าไหร่อาจจะว่าไม่ค่อยรู้เนือ้อรู้ตัวแล้วเพราะถ้ารู้นื้อรู้ตัวก็คงจะไม่ทำอย่างนั้นอันอย่างนี้เรียกว่ายอมรับแบบไม่เต็มที่นะเพราะว่าถ้ายอมรับอย่างสมบูรณ์เนี่ยมันก็คือมันก็จะเกิดความสงบ จริงๆแล้วในทางพุทธศาสนาเนี่ยนะถ้ายอมรับได้อย่างแท้จริงเมื่อไหร่มันก็เกิดความสงบเมื่อ น, นั้นแต่ว่าถ้ายังยอมรับแค่ยอมรับด้วยหรือในระดับเหตุผลเนี่ยมันก็ยังมีความเศร้าโศกมีความขับแค่มีความวิตกกังวลซึ่งตรงนี้แหละเป็นที่หมายความทุกข์ของผู้คนเพราะฉะนั้นเนี่ยถหากว่าสามารถจะยอมรับได้ดใจสงบเนี่ยว่ามันจะช่วย ลดความทุกข์ไปได้เยอะไม่ต้องอะไรยอมรับรถติดได้ด้วยใจสงบเพื่อนไม่มาตามนัดหรือว่าเพื่อนเขาติดเขามาไม่มาตามนัดเพราะรถติดก็ยอมรับได้ชิตมันก็จะสงบขึ้นเยอะเลยมันจะมีความสุขขึ้นมาวันนี้ทํายังไงเนี่ยคนเราถึงจะยอมรับ เหตุการต่างๆโดยพ่อที่เหตุเหตุการ์ร้ายแรงด้วยใจยสงบได้เนี่ยในทางพุทศาสนาท่านก็บอกว่าเนี่ยมันต้องมีปัญญามีปัญญาที่เห็นว่ามันเป็นเช่นนั้นเองมีปัญญามากพอที่จะตระหนักถึงความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งที่ไม่อาจจะบังคับบัญชาได้คือเข้าใจเรื่องใตรักเข้าใจจนไม่ยึดติด ถ, ถือมั่นดังนั้นเนี่ยเมื่อของหายสูญหาย มันก็ไม่เศร้าโศกเสียใจยอมรับได้ตาดได้ที่มีความยึติดถือมั่นนะแม้มันจะรู้ว่าของสูญไปแล้วคนรักตายจากไปแล้วแต่มันยังเศร้าโศกใจมันยังไม่ยอมรับเพราะยังมีความยึดติดผูกพันอยู่แต่เมื่อเนี่ยมีปัญญาเห็นชัดนะว่ามันไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นได้ไม่ว่าจะเป็นคนรักของรัก หรือแม้กระทั่งร่างกายนี้ถึงเวลาเจ็บป่วยก็ก็ยอมรับได้ไม่โวยวายตีโพยตีภายไมว่าตายอะไรเลยแม้กทั่งเวลาแก่เนี่ยนะความแก่ก็เป็นสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ได้แต่ชะลอบางคนก็รู้ว่าตัวเองแก่แต่ไม่ยอมรับใครไม่เรียกป้าเรียกลุงนี่โกรธใครไม่เรียกว่าคนแก่นี่ก็ไม่พอใจนี่แสดงว่ายังไม่ยอมรับ เพราะยังมีความยึดติถือมั่นในรูปยืดติดถือมั่นในความในร่างกายในความหนุความสาวแต่ถ้าเกิดว่าใจเนี่ยมันคลายความยึดติถือมั่นเพราะเห็นเข้าใจในเรื่องไตรลักษณ์มันก็จะวางได้พอวางได้มันก็ยอมรับได้เหมือนนางกีสาวกตมีนะที่เคยเสียลูกแล้วยอมรับไม่ได้ ยอมรับไม่ได้ขนาดที่เรียกว่าไม่ยอมเชื่อว่าลูกตายแล้วอุ้มศพลูกเพื่อให้ใครต่อใครช่วยปลุกให้ฟื้อนอันนี้เรียกว่าไม่ยอมรับแบบปฏิเสธร้อยเปอร์เซนลยแต่ตอนหลังก็ยอมรับได้นะเพราะว่าเห็นใครๆเขาก็เสียลูกบางครๆก็เสียคนรักใครๆก็เสียพ่อเสียแม่ไม่มีใครที่ไม่เคยเสียคนรักก็เริ่มยอมรับได้ยอมรับได้ไดว่าลูกตายไปแล้วเอาลูกเอาศพลูกไป ไปฟังในสุสานในปา่าช้าแต่ก็คงยังมีความโศกเศร้ามีความอาลัยอยู่จนกระทั่งผู้ายจะแสดงทาให้นางได้ลดหรือสบัติซึ่งความยึดติดถือมั่นให้เห็นโทษของความยึดติดถือมั่นนะว่าเนี่ยมันเหมือนกับน้ำป่าที่พัดพาผู้ที่หลับไห ล, ลความตายก็พัดพาผู้ที่ลหลงไหลในลูกในทรัพย์ เหมือนน้ำป่าที่พัดพาผู้ที่หลับไหลไปฉะนั้นพ น, นางเห็นโทษของความยึดติดถือมั่นเนี่ยเกิดปัญญาขึ้นมาก็ไม่มีความเศร้าโศกเสียใจหลงเหลืออยู่เลยเรียกว่ายอมรับได้อย่างเต็มร้อยเพราะว่าในสุดก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดา บ, บันอันนี้แสดงว่า ยอมรับความจริงได้เต็มร้อยเป็นการยอมรับด้วยใจสงบแต่คนเราก็ไม่เป็นตอนเป็นพระโสดาบันที่ยอมรับได้ด้วยใจสงบนะคนที่ฝึกมาอย่างคนที่ฝึกมาเข้าใจความจริงของชีวิตก็จะยอมรับได้ง่ายทั้งยอมรับด้วยหัวหรือเหตุผลแล้วก็ยอมรับด้วยใจเพราะมีปัญญาเห็นความจริงของชีวิตของโลกเป็นเช่นนั้นเอง แต่ถ้ายัางไม่มีปัญญาเนอย่างน้อยมันก็ยังมีช่องทางให้เรายอมรับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ก็คือการมีสติมีสติโดยพราะสัมมาสติที่ทําให้เราเนี่ยเห็นไม่ค่อยไปเป็นเมื่อมีความสูญเสียมีความเศร้าโศกเกิดขึ้นก็เห็นไม่ค่อยไปเป็น เมื่อมีความคับแทนเกิดขึ้นโกรธก็เห็นไม่เข้าแพทเป็นแล้วก็รู้ที่จะทำใจวางใจเป็นกลางนะแต่ที่ครูบาอาจารย์ใช้คาว่ารู้ซื้อให้รู้ซื่อเนี่ยมันเป็นวิชาที่สำคัญมากนะสหรับปุถุชนเนี่ยเพราะมันทำให้เราเนี่ยสามารถยอมรับสิ่งต่างๆได้ด้วยใจสงบ ที่ได้ก็ยอมรับความคิดและอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยใจที่เป็นกลางเพราะว่าไม่ผักใสไม่กดข่มมันพอยอมรับอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในใจได้ต่อไปก็จะยอมรับเหตุการณ์หรือสิ่งที่มากระทบใจได้จริงๆแล้วเนี่ยการยอมรับ ยอมรับด้วยใจสงบเนี่ยมันไม่ควรจะใช้กับเฉพาะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะแม้กระทั่งสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้แต่ว่ามันไม่ถูกใจเราเนี่ยเราก็ควรจะฝึกให้ยอมรับได้ขอบางอย่างมันปัญหาบางอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้นะแต่ต่าใดที่มันยัไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะรักษาใจใสงบได้อย่างเช่นเสียงดังจากเพื่อนบ้านเนี่ย ที่จริงมันก็เปลี่ยนแปลงได้นะไปบอกเขาให้หยุดส่งเสียงหรือเสียงหมาเห่าเราก็เปลี่ยนแปลงได้นะลงไปแล้วก็ไปสั่งให้มันหยุดเห่าถ้ามันเชื่องนะแต่ระหว่างที่มันยังไม่หยุดเห่าระหว่างที่ยังมีเสียงจากเพื่อนบ้านเนี่ยตราบใดที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกใจเนี่ยเราก็สามารถฝึกใจให้ยอมรับด้วยใจสงบได้ที่จริงเราต้องฝึกมาถึงขั้นนี้ด้วยนะไม่ใช่รอว่า เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วเราถึงจะยอมรับด้วยใจสงบแม้จะเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่ามันไม่ถูกใจเราเราก็ต้องฝึกที่จะยอมรับมันได้ด้วยใจสงบอากาศร้อนก็เปลี่ยนแปลงได้เปิดพัดลมแต่แต่ตใดที่ยังยังไม่ได้เปิดพัดลมอากาศยังร้อนอยู่เราก็ไม่ทุกข์เรายอมรับมันได้ด้วยใจสงบก็คือว่าร้อนแต่กายนะแต่ว่าใจสงบเยน็น ยุงกัดนะยุงมารบกวนเราก็ลองเปลี่ยนแปลงได้หาอะไรมาฉีดนะหรือว่าเอาพัดลมมาเป่าแต่ตราบใดที่ยังไม่ยังไม่ได้ทำอย่างนั้นเราก็สามารถจะรักษาใจใสงบได้เพราะว่าถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นมันก็จะเป็นการซ้ำเติมจิตใจให้ทุกข์นักปฏิบัติเนี่ยควรจะ ฝึกตรงนี้ด้วยนะฝึกให้ยอมรับสิ่งต่างๆได้ด้วยใจสงบเมื่อเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจไม่ว่าจะเป็นรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสที่มากระทบหรือทำมารวมความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจอันถ้าเราฝึกจนสามารถจะยอมรับสิ่งต่างๆด้วยใจสงบเนี่ยถึงเวลาเจอทุกข์ที่รุนแรงที่ชนิดาเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ทำอะไรไม่ได้เราก็ไม่ทุกข์นะแต่ถ้าเราไม่เริ่มฝึกตั้งแต่รับมือกับสิ่งที่ไม่ถูกใจไปคิดแต่จะไปเปลี่ยนแปลงมันด้วยการไปสั่งให้เพื่อนบ้านหยุดส่งเสียงหรือไปสั่งให้หมาเหา่าหรือที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งภายนอกเช่นเปิดพัดลมเอายามาฉีดเราก็จะไม่ได้ฝึกใจเลยพอเราไม่ได้ฝึกใจ แม้แต่เรื่องเล็กน้อยพอเจอเรื่องใหญ่เจอเหตุการณ์ความสูญเสียพัดพรากที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือเจอความเจ็บป่วยที่รักษาไม่หายถึงตอนนั้นเนี่ยมันจะยอมรับได้ยังไงไม่ต้องเกิดจะก็ต้องยมเกิดความเศร้าโศกเกิดความโกรธแค้นเกิดความวิตกกังวลกระสับกระส่ายทุรนทุราย่โวยวายตีโพยตีภายถ้าเราไม่เริ่มจากสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ แต่ว่ามันไม่ถูกใจเราเราจะไปรับมือกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ได้อย่างไรอันนี้ข้อที่สองก็สำคัญนะอะไรที่เปลี่ยนแปลงได้เนี่ยเราก็ต้องมีความกล้าที่จะเปลี่ยนหรือกล้าที่จะทำหลายครั้งเนี่ยเราไม่กล้านะทั้งที่มันเปลี่ยนแปลงได้ไม่กล้านี้ก็อาจจะหมายถึงกลัวล้มเหลวกลัวคนไม่เห็นด้วยกลัวเสียเวลาที่จริงเนี่ย สิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้เนี่ยนอกจากต้องใช้ความกล้าลต้องมีความเพียรด้วยเช่นเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้นะแต่หลายคนไม่กล้าไม่กล้าหรือถึงกล้าแต่ว่าไม่มีความเพียรนะกลัวลําบากลัวเหงากลัวล้มกลัวล้มเหลวก็เลยเปลี่ยนแปลงตัวอไม่ได้สักทีดังนั้นความกล้านี่ก็สําคัญแต่ว่าจริงๆแล้วคงไม่พอมันต้องมีต้องอาศัยความเพียรพยายามด้วยแล้วที่สําคัญนะที่เขา ที่เขาได้พูดในประการที่สามเนี่ยก็คือปัญญาปัญญาในการแยกแยะสองสิ่งเนี่ยคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้นีอันนี้สำคัญนะคนเราถ้าว่ามีปัญญาแยกแยะได้เนี่ยมันมันช่วยแก้ปัญหาไปได้เยอะเลยนะยกตัวอย่างง่ายๆนะคนป่วยหนักเนี่ยถ้าว่าเรารู้นะเรานี่หมายถึงหมอพยาบาลหรือผู้ดูแลท่ารู้นะว่า ผูป้ป่วยคนนี้เนี่ยยังไงก็รักษาไม่ได้คือตายแน่เราก็จะไม่ใช้วิธีการยือ้อหรือว่าทําทุกอย่างเจาะคอปั๊มหัวใจนะเจาะคอใส่ท่อปั๊มหัวใจพาเราจะไม่ทําอย่างนั้นนะเพราะเรารู้ว่าทําอย่างนั้นเนี่ยมันไม่มีประโยชน์มีแต่สร้างความทุกข์ให้กับเขาเราก็จะใช้วิธีนีน้คือว่าให้การดูแลแบบประครับประคองแต่ปัญหาคือ มันบอกได้ยากนะว่าคนไข้ร า, ายไหนเนี่ยที่ถ้าทุมเทไปเต็มที่และหายแม้ต้องเจ็บตัวต้องพาต้องใช้แสงเต็มที่แต่ในบางรายทำอย่างนั้นไปก็ไม่มีประโยชน์ตายอย่างเดียวในเมื่อเขาจะต้องตายแล้วเนี่ยไปทรมากก็ทาไมไปสร้างความทุกข์ทรมานให้กับเขาทำไมเราคงไม่ทำนะถ้าเรารู้ว่าเขาตายแน่แต่เราไม่รู้ไง เราไม่มีปัญญามากพอที่จะแยกแยะได้ว่ากรณีไหนที่ทำเต็มที่แล้วมีสิทธิ์รอดกรณีไหนทำเต็มที่แล้วยังไงก็ไม่รอดบางทีคนที่ป่วยเป็นเด็กนะหูพ่อแม่ก็อยากจะให้ลูกนะมีชีวิตรอดก็ทำทุกอย่างเลยที่ลูก ล, ลูกหวงไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแม่ก็พ่อก็ยังไม่ยอมเพราะคิดว่าจะรักษาลูกหายสุดท้ายพอลูกตายพ่อแม่ก็เศร้าเสียใจว่า รู้งี้เนี่ยไม่ต้องสร้างไม่ต้องทำอะไรกับลูกหรอกให้ลูกได้ไปเที่ยวทะเลให้ลูกได้ไปใช้ช่วยช่วงสุดท้ายอย่างมีความสุขดีกว่าพ่อแม่บางคนก็เสียใจเพราะเหตุ น, นี้อันนี้เพราะละเพราะไม่รู้ว่ามีกรณีไหนนะที่ทำเต็มที่แล้วหายมีกรณีไหนที่ทำเต็มที่ยังไงก็ไม่หายถ้าเรารู้แบบนี้เนี่ เราก็ไม่จะไปสร้างความทุกข์ให้กับคนไข้หรือเราจะทำเต็มที่แล้วก็หายก็ถือว่าคุม้มทิจริงมันมีอีกเยอะนะปัญหาหลายอย่างนี้ถ้าเรารู้ว่ามันแก้ได้เนี่ยมันก็จะง่ายแต่บางทีเราไม่รู้อย่างเช่นกรุงเทพเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยอีก2ี่สิปีข้างหน้าเนี่ยสี่อร์เซนตของพื้นที่จะโดนน้ำทะเลท่วมไม่ใช่น้ำฝนนะน้ำทะเล การนี้บางคนเนี่ยคิดว่าเอ้ยมันป้องกันได้ป้องกันไม่ให้น้ําทะเลท่วมก็ทุ่มเทเข้าไปใหญ่ทุ่มเทเงินหมื่นล้านแสนล้านถ้าเกิดว่ามันแก้ได้นะอ้าวก็โชคดีไปแต่ถ้าเกิดแก้ไม่ได้เนี่ยมันก็คือความสูญเปล่าแต่ถ้าเรารู้ว่าแก้ไม่ได้นะเราก็ย้ายเมืองดีกว่าแต่ว่าเราไม่รู้ไงว่าเราไม่มีความไม่มีปัญญามากพอที่จะรู้ว่าจริงๆมันป้องกันน้ํำทะเลไม่ให้ท่วมกรุงเทพได้หรือเปล่า แต่บางคนบอกว่าป้องกันได้ก็ทุ่มเทเข้าไปทุ่มเทเงินเป็นแสนล้า น, ล, า น, ล, านล้านเข้าไปแต่ถ้ามันแก้ไม่ได้ก็คือศูนย์เปล่าแต่ถ้าเรารู้ว่ามันแก้ไม่ได้นะ ย, ย้ายเริ่มย้ายเมืองกัตั้งแต่ตอนนี้มันก็ยังมันก็จะช่วยทําให้ลดความสูญเสียไปได้เยอะในภายภาคหน้านี่คือโจทย์ที่เราไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเนเบอร์ก็เลยกบอกนะขอขอภาวนาจากพระเจ้านะให้มีปัญญารู้ ว่าอะไรที่มันแก้ได้อะไรที่มันแก้ไม่ได้แต่สวชาวพูดลเรอย่าพึ่งพระเจ้าไม่ได้นะก็ต้องพึ่งสติปัญญาของตัวหรือว่าร่วมมือกันค้นหาช่วยกันระดมสมองเพื่อหาทางออกว่าตัวลงโจทย์เนี่ยมันคืออะไรมันแก้ได้ไหมหรือแก้ไม่ได้ที่จริงไม่เฉ่าเรื่องใหญ่เรื่องโตนะบางทีเรื่องเล็กง่ายนะเช่นสามีภรรยาเนี่ยบางคนบอกว่า อยู่ไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นแยกกันดีกว่าแต่บางคนบอกว่ า, วามันยังปรับกันได้เนะี่ยังปรับยังปรับนิสัยใจคอกันได้นะสามารถจะอยู่กันได้นะแต่บางคนอยู่ไปปรากฏว่ากับแย่ลงทั้งคู่เลยบางทีถึงกับฆ่ากันเองก็มีบางคนบอกว่ า, วาลูกนี้นะหย่า ก, กันไปดีกว่าแต่นี่คือสิ่งที่เราไม่รู้ไงเพราะบางคนคิดว่าอยู่ไป อาจจะเวิร์กก็ได้อาจจะอยู่ด้วยกันได้ไกลายเป็นคู่รักที่เกื้อกูลกันก็ได้อันนี้คือปัญหาเป็นเป็นปัญหาเป็นโจทย์ใหญ่ของชีวิตนะที่มันต้องอาศัยปัญญาในการแยกแยะแล้วถ้าเรามีปัญญานี่มันก็ช่วยได้แต่ถ้าเรามีปัญญานี่ก็ไอสิ่งที่เราทำไปอาจจะล้มเหลวก็ได้หรือจะเกิดโทษตามมาอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะ